อรหันตสมาสมุทติเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะ เป็นสวาก้าโตภกวดาธรรมโมธรรมะอันประภูมีประภกเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสั้นนิธิโกอันภูปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโก ควรเรียกให้มาดูโอปะณิยโกควร น, น้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตบโบวินยูหิอันวินยูคือภูรูคึงรู้จำเพาะตนในข้อที่หกนี้ได้แสดงอธิบายโดยทั่วไปมาแล้ว จะได้แสดงโดยความต่อเชื่อมกับข้อขัางตนโดยเฉพาะคือโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาโดยที่น้อมเข้ามาดูจิตมีราคะหรือปฏิจจากราคะ มีโทสะหรือปราศจากโทสะมีโมหะหรือปราศจากโมหะโดยจำแนกจิตดังกล่าวออกทีละข้อก็อดูจิตที่บังเกิดขึ้นในความรู้ความคิดของตนเองนี่แหละ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อจิตมีราคะความติดใจยินดีก็ตั้งสติกำหนดดูจิตดังกล่าวโดยจำแนกออกเป็นหนึ่งจิตสองอารมณ์และสามตัวราคะ ความติดใจยินดีที่บังเกิดขึ้นว่าทั้งสามนี้มาปรุงกันแต่งกันเป็นจิตมีราคาขึ้นและเมื่อแยกออกจากกันเสียได้ก็จะเป็นจิตที่ปราศจากราคากำหนดดูจิตดังนี้และ เมื่อต้องการกำหนดดูส re. ืบสาวออกไปก็จะพบจิตที่มีราคะดังกล่าวนี้เมื่อเนื่องจากเวทนาคือความรูปเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขในอารมณ์ทั้งหลาย และโดยเฉพาะจิตที่มีราคะนั่นเมื่อเกิดเวทนาที่มีสุขและจิตก็รับเวทนาที่มีสุขนี้เป็นอารมณ์จึงเกิดราคะขึ้นเพราะอารมณ์อัน ได้มาจากสุขเวทนาเป็นที่ตั้งของราคะและหากจะสืบ อ, ออกไปอีกก็จะพบกายนี้เองเป็นเครื่องปรุงเวทนาและจะพบอารมณ์ทางจิตเองด้วยเป็นเครื่องปรุงเวทนา ตเวทนานั้นเป็นไปทางกายก็มีเป็นไปทางใจก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อได้ตั้งสติกำหนดดูจิตจิตที่เป็นไปในปัจจุบันนี้แหละก็ย่อมจะพบว่าจิตนี้ย่อมรับอารมณ์อยู่ เสมอและอารมณ์ที่จิตรับนี่เมื่อเป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภก็เกิดราคะหรือโลภขึ้นเป็นที่ตั้งของโทสะก็เกิดโทสะขึ้นเป็นที่ตั้งของโมหะก็เกิดโมหะขึ้นจึงเป็นจิตที่มีราคะโทสะโมหะดังกล่าวฉะนั้น เมื่อกำหนดดูจิตก็ยอมจะพบอารมณ์พบกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นในจิตหรือว่าเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งดังกล่าวมาคือจิตอารมณ์กิเลสไม่มาปรุงแต่งกันก็เป็นจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะ เป็นจิตที่สงบราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังนี้ผู้ที่กำหนดดูจิตยอมพบอารมณ์พบกิเลส ท, ที่มังเกิดขึ้นในจิตด้วยหรือว่าพบความสงบที่ปรากฏอยู่ในจิตเช่นเดียวกับเมื่อกำหนดดูน้ำ จะเป็นน้ำในแม่น้ำในลําคลองหรือแม่ในกระถางน้ำองน้ำก็ยมจะพบสิ่งที่อยู่ในน้ำเช่นพบก่อนกรวดพบต้นไม้ที่เกิดในน้ำเช่นจอกแน่บัว หรือพบปลาที่อยู่ในน้ำพบตะกรนที่อยู่ในน้ำและหากน้ำนั้นใสไม่มีอะไรหลังกล่าวก็ย่อมจะเห็นความใสสะอาดของน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่พบในน้ำก็เหมือนกับสิ่งที่พบในจิตเมื่อดูจิตคือย่อมจะพบอารมณ์ ภพกิเลสหรือหากกิเลสสงบก็พบความสงบหรือแม้มีภาวะอะไรอื่นทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วบางเกิดขึ้นในจิตก็ยอมจะรู้ยอมจะเห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมืธธม่อได้ตรัสสอน ให้กำหนดดูจิตให้รู้จิตมาเป็นอย่างไรก็ตรัสสอนให้ทำสติกาหนดดูให้รู้สิ่งที่อยู่ในจิตดังที่กล่าวสิ่งที่อยู่ในจิตทั้งสิ้นนี้ก็รวมเข้าในคำว่าธรรมะในสติปัฏฐานข้อที่สี่ธรรมานุปัสสนา ที่ตัดสอนให้พิจารณาธรรมะกำหนดธรรมะก็คือภาวะต่างๆที่บังเกิดขึ้นมีอยู่ในจิตและผูปฏิบัติในข้อธรรมานุปัสสนานี้เมื่อปฏิบัติสืบเรื่องมาจาก ขอจิตตานุปัสนาก็ย่อมจะได้เห็นอารมณ์เห็นกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตที่มีอยู่ในจิตก็เพราะว่าเมื่อดูจิตหากว่าจิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะและก็ยอมรู้ราคะที่มีอยู่ในจิตด้วยตัวราคะที่มีอยู่ในจิตนี่แหละเป็นธรรมานุปัสสนาข้อสี่จิตมีโทสะจิตมีโมหะก็เช่นเดียวกันโทสะโมหะก็เป็นข้อธรรมานุปัสสมาที่มีอยู่ในจิตและแม้ว่า จิตปราศจากราคะโทสะโมหะความปราศจากราคะโทสะโมหะนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาที่มีอยู่ในจิตแต่ว่าเป็นฝ่ายอุศลส่วนฝ่ายราคะโทสะโมหะเป็นฝ่ายอังคุศลเพราะฉะนั้นนลวพุทธเจ้าครั้นตรัสสอน ให้ตั้งสติกำหนดดูจิตรู้จิ ต, จ, ตจิตมีราคะโทสะโมหะก็ให้รู้หรือไม่มีก็ให้รู้ดังนี้แล้วและแม้ว่าจิตปราศจากราคะโทสะโมหะความปราศจากราคะโทสะโมหะนั้น ก็เป็นธรร ม, มานุปัสสนาที่มีอยู่ในจิตแต่ว่าเป็นฝ่ายอุศลส่วนฝ่ายราคะโทสะโมหะเป็นฝ่ายอังุศลเพราะฉะนั้นหลวงพุทธเจ้าครั้นตรัสสอนให้ตั้งสติ กำหนดดูจิตรู้จิตจิ ต, จตมีราคะโทสะโมหะก็ให้รู้หรือไม่มีก็ให้รู้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดดูธรรมะที่มีอยู่ในจิตให้กำหนดดูราคะโทสะโมหะที่บังเกิดขึ้นนั่นเองหยิบยกขึ้นมากำหนดพิจารณา แต่ว่าในตอนนี้ก็ควรที่จะต้องกล่าวขี้แจงแทรกไปด้วยว่าราคะโทสะโมหะนั้นเรียกว่าเป็นธรรมะด้วยหรือในข้อนี้จึงควรเข้าใจว่าอันที่จริงธรรมะนั้นใช่ในความหมายเป็นกลางๆ ก, ก็มี ดังพระบาลีที่ว่ากุศลธรรมมาธรรมะทั้งหลายเป็นกุศลอกุศลธรรมมาธรรมะทั้งหลายเป็นอกุศลอภิญากตาธรรมมาธรรมะทั้งหลายเป็นอภิญากฤจคือเป็นกลางๆไม่ยืนยันพยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ธรรมะนั่นใช้เฉพาะเป็นส่วนดีก็มีส่วนที่ส่วนที่ไม่ดีเรียกว่าอาธรรมดังพระบาลีที่ว่านาหิธรมโมอธรรมโมจะอุ โ, อโภโสมะปิปากิโนธรรมะคือส่วนดีอธรรมคือส่วนที่ไม่ดีทั้งสอง อา ม, มีมีบาก ค, คือผลเสมอกันไม่อะรำโมนิรรยังเนติอรรมนำไปสู่นิรยะที่แปลกั น, นกันุษกคือถิ่นที่ไร้ความเจริญทมโมปาเปติสุกติส่วนธรรมให้ถึงสุขคติคือกติที่ดี ดังนี้คำธรรมะใช้หมายเป็นกลางๆบ้างใช้หมายถึงส่วนที่ดีเท่านั้นบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อพบคำธรรมะจึงต้องพิจารณาดูถึงคำที่ประกอบจึงจะรู้ ความหมายที่ต้องการที่ใช้ในที่นั้นนั้นได้ดังที่แสดงในที่นี้มุ่งถึงส่วนที่เป็นกลางๆเมื่อเป็นราคะโทสะโมหะก็เป็นกุศลธรรมเมื่อเป็นอะโรกาะอโทสะอะโมหะคุณที่ไม่ใช่ ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะก็ะเป็นกุศลธรรมหลวพุทธเจา้ายังได้ตรัสสอนให้กำหนดดูจิตโดยทรงแสดงเป็นนิวรณ์ท้งห้านิวรณ น, นั้นก็คือกิเลส ท, ที่เบ่งเกิดขึ้นในจิตกลุ่มลมจิตคือทำจิตให้กัดกรุ่ม กั้นจิตไว้ไม่ให้สงบเป็นสมาธิและไม่ให้ได้ปัญญาก็ได้แก่หนึ่งกา ร, รมฉชันความพอใจรักใครโดยอำนาจของกิเลสกรรมคือกิเลสเป็นเหตุใครหรือในกามคืออารมณ์ที่ น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายการมฉชันนี้ก็เป็นอิเลสกองราคะสองพยาบาทความมุ่งร้ายหมายล้างผลาญให้พินาศนั่นเป็นโทสะอย่างแรงซึ่ง ก็รวมถึงโทสะที่เป็นอย่างปานกลางอย่างเบาอย่างเบาก็คือจำพวกเรเรียกว่าปฏิฆะความกระทบ ป, ประทั่งอันทาให้เริ่มหงุดหงิดอย่างกลางก็คือโกธะความโกรธคือขัดเคืองหรือโทสะเองที่เประเปะุสรายซึ่งหมายถึง ประทุร้ายใจตัวเองให้เราร้อนต่อเมื่อมุ่งร้ายออกไปในภายนอกคือมุ่งให้ผู้ที่ตนโกรธมีบัตรเสียหายเป็นการมุ่งร้ายหมายลังพลานดังกล่าวจึงเป็นพยาบาทซึ่งกิเลสกองนี้ก็คือกองโทสะสาม ทีน ม, มิธะความง่วงงุนเคลือบเคลื่มสี่อุทธจากรุจจากความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญและหา ว, วิจิตรช้าความเคลื่อนแพลงสงสัยสามข้อนี้จัดเข้าในกิเลสกองโมหะคือความลงเว้นไว้แต่ข้อที่เรียกว่าความรำคาญ อุทธจากความวุ่งซานกุกุจจกความรำคาญอันเป็นข้อที่สี่สำหรับอุทธจากความรำคาญ น, นั้นพระอาจารย์ท่านใส่เข้าในกองโทสะก็รวมเข้าเป็นนิวร์5าย่อเขาก็เป็นสามคือราคะโทสะโมหะนั่นเอง ดฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกําหนดดูนิวรณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนิวรณ์ขอไหนมันเกิดขึ้นก็ตั้งสติกําหนดดูให้รู้จักและให้รู้จักว่านิวรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรจะดับไปอย่างไร และเมื่อดับไปแล้วจะไม่บังเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงจะกล่าวเพียงย่อๆเมื่อเกิดขึ้นก็เพราะขาดสติกำหนดพิจารณาดูจิตที่รับอารมณ์เมื่อมีสติกำหนดดูจิตที่รับอารมณ์ และพรากจิตเสียจากอารมณ์ได้มีมวนก็ดับและเมื่อทาสติอยู่เนืองๆทาสติอยู่มากๆก็จะเกิดยากขึ้นจนถึงดับได้ทั้งหมดเมื่อการปฏิบัติในสตินั้นเป็นมักเป็นผลขึ้นมาในที่สุดแต่เมื่อ ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาในที่สุดก็ต้องมีได้มีเสื่อมจึงต้องปฏิบัติทำสติกันอยู่เรื่อยๆไปให้สติมากขึ้นไม่หลงลืมเพราะฉะนั้นจึงมาถึงข้อตัวเหตุให้เกิดนิวรณ์ในเหตุที่ดับนิวรณ์ที่ได้กล่าวว่า เกิดขึ้นก็เพราะจิตรับอารมณ์หลับเพราะพระจิตพรากออกจากอารมณ์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดอาจตนะภายในหกภายน่อกหกและให้กำหนดดูสังโยน์คือความผูกกำหนด อาจตนาดังกล่าวนี้ก็คือให้ตั้งสติกำหนดทำความรู้จักรูปความทำความรู้จักให้ตั้งสติกำหนดทำความรู้จักตาทำความรู้จักรูปที่ตาเห็นตั้งสติกำหนดทำความรู้จัก ผูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายพทถภะคือสิ่งที่กายถูกต้องมโนใจธรรมะคือเรื่องเราที่ใจรู้ใจคิดและให้ทาสติกกำหนดดูสังโยชน คือความโผลใจในเมื่อตากับรูปประจบกันหูกับเสียงประจบกันจมูกกับกลิ่นประจบกันลิ้นกับรสประจบกันกายและผลทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องประจบกันมโนคือใจธรรมะและเรื่องราว จะจบกันอยู่ทุกขณะของทุกๆคนจิตนี้เองก็จะเห็นรูปและก็ไม่ได้เห็นเปล่าๆยังผูกใจไว้ในรูปที่ตาเห็นด้วยจิตนี้เองก็จะได้ยินเสียงจะได้ทราบกลิ่น ได้สราบรถได้สาบผลทพะและได้รู้ได้คิดเรื่องราวทั้งยังมีสังโยชน์คือฝูกใจไว้ด้วยในเสียงกลิ่นรสโพทพะและธรรมะคือเรื่องราวเหล่านั้น ใจไม่ปล่อยใจยังผูกเอาไว้ตัวความผูกนี่แหละหลัดว่าคือชันธราคะความติดใจพอใจคือความติดใจด้วยอำนาจของความพอใจซึ่งมีอาการเป็นราคะความติดใจยินดีและแม้เป็นรูปเสียงเป็นต้น ที่ไม่ใช่สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นสิ่งที่เกลียดไม่ชอบก็ผูกโกรธก็เป็นผูกเหมือนกันเป็นสัญญาต์เหมือนกันเพราะว่ากโกรธของทุกๆคนนั้นที่มันเกิดขึ้นในใจก็ว่าเพราะใจผูกถ้าใจไม่ผูกในบุคคลที่โกรธในสิ่งที่โกรธโกรธก็ไม่มี ก็เป็นสัญญต์เหมือนกันและแม่เป็นรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นกลางๆไม่พอที่จะให้ชอบไม่พอที่จะให้ชังแต่ว่าไม่รู้ในขุณโทษไม่รู้ในวิธีที่จะนําใจออกก็ผูกเหมือนกันเป็นความผูกหลงเอาไว้เพราะไม่รู้ ในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสัญญานี้เองคือผูกใจหรือใจผูกจึงหมายถึงราคะได้ด้วยโทสะได้ด้วยโมหะได้ด้วยเป็นผูกทั้งนั้นและเมื่อเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นราคะโทสะโมหะก็ผูกใจแน่นเข้าไปอีก ผูกเอาสิ่งเหล่านั้นคือผูกรูปเสียงกลิ่นรสผลิ ภ, ภัสิ่งที่น่าและธรรมะที่ตาหูจมูกเล่นกายและมันะคือใจได้ประจวบไว้ผูกไว้ในใจด้วยกันไม่ปล่อยดุจฉนั้นนี้เอง เป็นชนนนสสำคัญหรือให้เกิดนิวรณทั้งห้าหรือให้เกิดราคะโทสะโมหะดุจฉนั้นเมื่อพระพุทธเจา้าตรัสสอนให้กำหนดดูให้รู้จัก ร, ราคะโทสะโมหะหรือนิวรณห้าที่ยงอยู่ในข้อจิตแยกออกมาดูต่างหาก ให้ชัดเจนก็ยอมจะสืบสาวไปพบถึงต้นของนิวรณ์หรือราคาโทสะโมหะก็คือตัวสัญญชน์ความผูกใจดังกล่าวนี้ที่บังเกิดขึ้นอาศัยอายาจักรภายนอกและภายในมาประจบกันอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติทำสติในข้อนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีอยู่เป็นประจำทุกเวลาเพราะทุกคนนั่นก็จะต้องเห็นอะไรได้ยินอะไรได้สา่กลินรถผลสพพะอะไรอะไรและได้คิดได้รู้เรื่องอะไรอะไรทางอาจนาอยู่เป็นประจำ ตั้งแต่ตื่นจนหลับอยู่ทุกๆวันทุกๆเวลาถ้าหากว่าขาดสติเมื่อไหร่สัญญโสดก็เกิดขึ้นได้เหมือนนั้นเด็บรรดากิเลสนิวรังทั้งหลายก็มาเกิดขึ้นได้เหมือนนั้นเราจะนั้นจะปฏิบัติดับกิเลสนิวรังได้ก็ต้องทําสตินี่แหละก็คอยกําหนดดูต้นทางก็คือ อาจนะาภายในภายนอกที่ประโจกันอยู่และเมื่อมีสติกำหนดอยู่ดังนี้สัญญาตก็จะบังเกิดยากขึ้นและที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปพราะนั้นสติในข้อธรรมะนี้จึงเป็นข้อที่ละเอียดยิ่งขึ้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป